วัดเย็นจบแล้วก็แนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราได้จดจําเอาไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะไม่พลาดผิดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองอเดือนมีนาสองพันห้า้อยยี่สิบเก้า ตรงกับวันแรมเจ็ดค่ำเดือนสามเห็นไหมตอนกลางวันนี้พูดหลงกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นพวกเราต้องให้หนักแน่นจริงๆถ้าไม่หนักแน่นแล้วการปฏิบัติมันจะไม่กล่าวน้าอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้ เราต้องพยายามทำตัวเราจริงๆคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นมากเกินไปเราต้องหวังพึ่งตัวเราจริงๆเพราะการกระทำนั้นมันเป็นตัวเราการกระทำตัวเราทำตัวเราก็ต้องรู้เป็นอย่างนั้นดังนั้นคนบูราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความผิดเป็นคู แต่อย่าทำผิดเราต้องรู้จักฮันสิ่งที่เราผิดแล้วนะไม่ต้องทำแล้วแก่ดังนั้นคนเราต้องแก้ไขตัวเองอย่าให้คนอื่นแก้ไขเราไม่ได้พ่อแม่แก้ไขให้เราก็ไม่ได้เทวดาอินพรมที่ไหนแก้ไขให้เราไม่ได้เราต้องแก้ไขตัวเราเอง เมื่อเราแก้ไขตัวเราถูกต้องแล้วการเดินของเราก็คล้องตัวก็สบายขึ้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจึงขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยแต่อันนั้นมันเป็นเพียงที่ว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองครูบาอาจารย์มาเป็นเพื่อนเท่านั้นเองท่านทาอะไรให้เราไม่ได้ บางทีครูบาอาจารย์แนะนวไปทางผิดก็มีเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่างที่องคุลิมานเป็นคนพูดจริงทําจริงนี่มันมีคู่อิสสาริษยาเบียเดเบียนกันก็เลยแนะนำให้ครูอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ครูอาจารย์ก็เลยแนะ แ, แนวในทางที่ผิด องค์ุลิมานก็เลยได้ทําผิดไปแต่องค์ุลิมานคราวนั้นไม่รู้นะถ้ารู้ผิดอย่างนั้นองค์ุลิมานไม่ทําแต่โชคดีอย่างหนึง่งองค์ุลิมานไปเจอออกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั้นมันผิดว่าอย่างนี้ก็ได้พูดคําเดียวเท่านั้นองค์กุลิมานเข้าใจเลยแต่ท่านพูดว่า เราหยุดแล้วองคุลีมันไม่หยุดว่ายัางนั้นหยุดทำไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นน่องคุลีมันต่อว่าแต่เราหยุดจากการทำชั่วเนี่ยองคุลิมันเข้าใจโอ้เราทาชั่วแล้วต้องแก้เลยพอดีหยุดจากการทำชั่วคิดตรีตองฟังคาพูดแล้วได้สำเร็จเป็นพระนิยบุคคลได้ในขณะนั้นเลย เราไม่ได้ฆ่าคนถึงขนาดนั้นแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้ฆ่าคนนะเรื่มมีคนฆ่าคนกี่คนไม่ได้มีนะ ม, มีบ้างไหมอ่าไม่ได้มีใครฆ่าคนเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่เป็นพันกว่าคนห่ะแต่องคุเรมาณรู้สึกสำนึกแก้ได้ทันที ดังนั้นหลวงพ่อจึงเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าบุญมากที่สุดคือรู้บาปมากที่สุดคือไม่รู้นั่นเองไม่รู้จึงทำไม่ใช่ว่ารู้นะไม่รู้จึงทำอะไรทั้งหมดเลยดังนั้นความผิดนั่นจึงเป็นครูสอนเราว่าสิ่งนี้ผิดแล้วเลิกละได้กลับมาทำดี วันนี้ก็มีคนมาถามกรรมติดตามเราได้ไหมเขาพูดยัง้นแต่กรรมนั้นมันติดตามไม่ได้แต่เขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับหมาในไรเนื้อบ้านของพ่อหมาในไรเนื้อเมื่อเนื้ออ่อนลงโซรมลงเมื่อใดหมาก็ทันเมื่อนั้นอันนั้นเป็นคำพูดวันนี้เราไม่ต้องคิดอย่างไ น, น เรามีจิตใจเข้มแข็งประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วกรรมมันหลุดไปน่ะเพราะเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมันหลุดไปเลยกรรมมันจึงจะทําอะไรให้เราไม่ได้ดังนั้นให้เราเข้าใจเอาเสียว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเมื่อเรารู้แล้วหมดกรรมเลยดังนั้นพระอริยบุคคลชื่อว่า ไม่ทำกรรมดีและไม่ทำกรําชั่วทั้งวันกรรมดีก็ไม่เอากรรมชั่วก็ไม่เอาทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองแต่ว่าหน้าที่ของท่านท่านรู้ว่าหน้าที่สิ่งนี้สิ่งนี้ท่านี้ดังนั้นเราทุกคนเป็นภูถุสนเราต้องรู้จักว่าการกระทำนั้นเราต้องรู้จักยับยั้งไว้ได้จิตใจของเรา ดังนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มารวมอยู่ที่ใจวันนี้ก็พูดมาอ้อมข้อมมาให้มาอยู่ที่ใจทางนั้นที่พูดมาการประสบการณ์แก้ไขได้อย่างที่เราประสบการณ์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฆ่ากันตีกันเราจะทำยังไงถ้าเราอยู่ที่นั่นก็จำเป็นต้องถูกฆ่าถูกตีเหมือนกันเราต้องแก้ไขแก้ เหตุการณ์มีอยู่ปัจจุบันไมต้องแก้บัด น, นี้ด้วยเหตุผลโอ้เหตุผลเรานั่งอยู่ที่ดอกคิดเลยเหตุผลทําอย่างนั้นไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีเหตุผลนั่นแล้วก็รวมลงไปที่ใจทั้งหมดเลยแก้ประสบการณ์ด้วยเหตุการณ์ก็ดีแก้โดยเหตุผลก็ดีแต่ที่สําเร็จแท้ๆก็ต้องมาแก้ที่ใจ ใจนั่นเป็นสิ่งสำคัญทุกคนทำได้เมื่อเห็นใจจริงๆแล้วถ้าหากไม่เห็นใจจริงๆแล้วแก้ไม่ได้บางคนทำกรรมฐานมานึกว่าทำกรรมฐานเอาบุญเอาค่มสงบควมสงบอันนั้นมันไม่ใช่ค่มสงบแบบที่หลวงพ่อพูดนี่ข่มสงบแบบหลวงพ่อพูดนี่คือสงบหยุดไม่เก้อเขินไม่สงสัย ไม่ไปเสา ะ, ะ, ะแสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแล้วอันนี้เรียกว่าสงบก่อนที่สงบมันต้องรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงทุกคนทำได้เป็นเพราะทุกคนมันมีเนี่ยจึงว่าการกระทาแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่ครูอาจารย์ครูบาอาจารย์จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ แต่เราให้มีใจหนักแน่นเอาไว้ว่าเราจะทำอันนี้เรียกว่าเราได้เพื่อนกันระยาณมิตรขันทจะพูดไปตามภาษาเราได้เพื่อนที่ดีเพราะตําราก็มีอยู่แล้ ว, แ, ลวแนื้ผู้แนะแนววิธีคอยประเข้าประคองก็มีอยู่แล้วเรียกว่าเราได้เพื่อนที่ดีถ้าพูดว่ากันระยาณมิตรที่ดีก็เราก็ได้กันรยาณมิตรที่ดีแล้ว เขาบอกเพื่อนที่ดีก็หมายถึงคอยดูกันมีเหตุผลอย่างไรเกิดขึ้นปกา ร, ร, รปฏิบัติแบบนี้มีอุปสรรคที่หลวงพ่อแก้หลวงพ่อเองหลวงพ่อรู้จักว่ากรมผิดหลวงพ่อมีหลวงพ่อก็ต้องแก้หลวงพ่อทีแรกหลวงพ่อไม่ค่อยรู้มันเป็นแล้วจึงรู้เมื่อคนใดยังไม่เป็นไม่รู้ การไปสอนคนอื่นนั่นไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญตัวการกระทาของเรานี่คือเมื่อเราไม่รู้จริงแล้วมันจะผักดันเราไปจริงๆเป็นยางไงหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเมื่อรู้จักรูปนามนี่หลวงพ่อหมดสงสัยแต่มันยังไม่เห็นความคิดความคิดมันดึงไปลากไปพอดีหลวงพ่อมาเห็นความคิดหลวงพ่อเห็น มันหยุดเมื่อมันหยุดแล้ววะเ น, นี้ยมันก็ต้องแสดงตัวมันเองเหมือนกับคนแก่เนี่ยซุกเข้ารูมาแล้วบิดเข้าไปมันไขเองดังนั้นการทําความรู้สึกตัวทําความเคลื่อนไหวโดยวิธีใดกอตาดเราต้องให้รู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหวเมื่อเราไม่รู้ความเคลื่อนไหวในขณะไหนเวลาใดแล้วมันเข้าไปในความคิดทันที พ่อความคิดมันถูกสุดไปทันทีเลยเมื่อความคิดทุดไปเราไม่รู้จึงมีอุบายให้มาอยู่กับผมรู้สึกไม่เราไม่ใช่เราจะเป็นนั่งอยู่เฉยเยเมื่อเรานั่งอยู่เฉยเมยมันสุดเราไปบทที่เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็กำหนดรู้เราอยู่เสมอแต่อย่า ก, กำหนดเกินไปเพียงแต่รู้สึกเบาๆมันคิดมา เราก็ทิ้งมนันทันทีมาอยู่กับควมรู้สึกนี้เองดังนั้นการกระทานี้จึงเป็นของไม่ยากไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเป็นของทำง่ายๆไม่เดือดร้อนพอดีเห็นคมคิดรู้คมคิดเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้ ว, ว น, นี้ก็เห็นสมุทฐานของควมคิด เราก็เปรียบเทียบบนันนี้เปรียบเทียบขึ้นมาเขาวนี้เขาเรียกว่าเหตุการ์แก้ด้วยเหตุการ์เราก็คิดว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกอันนี้ในโลกนี้สอนเราได้ทุกวิธีจะเห็นคนหลายคนก็าตามน้อยคนก็าตามมันมีอยู่อย่างนี้เราจะไปบังคับไม่ให้มีอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่จะหมดไม่เป็น หมดไม่เป็นเลยคนแต่ว่าคนหมดเป็นนั้นอีกอย่างหนึ่งคนหมดเป็นคือบุคคลผู้ที่ไม่หวังไม่หวังคือไม่หวังอะไรทั้งหมดหมดเป็นคนนั้นคือไม่ต้องการมาเกิดแล้วก็หมดแล้วถ้าหากเรายังคิดว่าอยากมาเกิดอีกต่ไม่หมดเลยเพราะมันมีความหวังในคนจากนั้นความหวังอันนั้นจะได้หรือไม่ได้ถ้ามันได้ก็ดี ถ้ามันไม่ได้ก็หวังเสยๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นคนเราจึงอยู่ได้เพราะความหวังเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ควาหวังนั้นมีหรือไม่มีไม่รู้หลวงพ่อเองอันเนี้เคยมีหวังว่าอย่างนั้นนึกว่าทําบุญบามากๆแล้วตายไปต้องไปเกิดสวรรค์ไปอยู่เมืองสวรรค์เมื่อบทบุญกุศลนั้นหกลับมาเกิดเป็นคนมันเข้าใจอย่างนั้น อันนั้นเป็นวิญญาณของสําหรับบุคคลผู้ไม่รู้วิญญาณเตว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณล่องลอยออกจากท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้อันนั้นวิญญาณตั้งแต่นอนสมัยดึกดำบรรดคนไม่รู้ไม่มีที่พึ่งเคยพูดไว้หนังสือไม่ใช่เคยพูดหนังสือพูดที่อําเภอหาดใหญ่นะ่ะเขาเอามาเขียนลงเป็นหนังสือแล้ว อันนั้นไม่ใช่วิญญาณอันนี้อันนั้นเป็นวิญญาณของคนไม่รู้พวกฤาษีดาวบทเขาแสวงหาความสุขอยู่ในป่าในถ้าบัด น, นี้คนเหล่านั้นนะ่ะเป็นผู้สลาดบัด น, นี้คนในบ้านเราเป็นคนที่ทํามาหากินเป็นคนที่ไม่สลาดมีความจําเป็นเจ็บค่ายได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องก็ไปปรึกษาหาหือกษีพวกนั้น พวกนั้นก็บอกว่าเป็นน้ำผีบ้างพวกนั้นติดต่อผีได้เป็นน้ำเทวดาบ้างติดต่อเทวดาได้เป็นยางนั้นแต่ความจริงพวกนั้นไม่ใช่รู้ผีไม่รู้เทวดาแต่เขามีปัญญาแก้ปัญหาสะพาะหน้าให้คนผู้ที่ไม่รู้ตนเองเองคนทําดีจึงตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทวดาเขาว่าอย่างนั้นพวกนั้นเขาบอกอย่างนั้นคนทําชั่วตายก็จะไปะเป็นผีเเขาว่าอย่างนั้น บันทึทุกคนอยากไปเป็นเทวดาบิด ญ, ญาณอันนั้นไม่ใช่บิญญาณพระพุทธเจ้านี้แต่เขาไม่รู้ดังนั้นต่อมาไม่ต้องพูดไปแล้วเรื่องนั้นบั น, นี้ต่อมามีคนสลาดขึ้นมาศึกษาขึ้นมาคน้นคว้าขึ้นมาจนมีผู้บุคคลสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เองได้ตัดสู้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็ นำมาสอนจินว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเขาว่าเสวยอารมณ์สัญญาเขาว่าจำได้สังขารเขาว่าปรุงแตง่งวิญญาณเปรวรู้เนี่ยถ้าเราเสวยอารมณ์ทุกเราก็รู้เราเสวยอารมณ์สุขเราก็รู้เราคิดดีเราก็รู้เราคิดชั่วเราก็รู้จิ่ว่าวิญญาณเปรวรู้ ดังนั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ง่ายๆอย่างที่เราเคยสวดกันว่าขันห้าเนี่ย hey ขันสี่ขันขันเดียวหน่อยขันห้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญย่างเดี่วขันห้าขันสี่แบเนี้เขาก็ต้องว่าเวทนาขันรูปขันไม่เอาเอาแต่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันก็เป็นขันศีขันขันเดียววันนี้กําลังท่องเที่ยวอยู่ในวัตะสงสารเนี่ยขันขันเดียวก็คือสังขารขันนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าสมุทัยทําให้ทุกเกิดเนี่ยท่านน้อยตัวสมุทัยก็คือตัวสังขารนั่นเองพอดีมันคิดออกไปเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจไม่สัมผัสมันได้มันก็เลยปรุงให้เรามา ทำอย่างนั้นไปพูดอย่างนี้ไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันปรุงเข้ามาตัวสมมติเ้ตัวนี้บัดนี้เมื่อเราเห็นมันก็เลยถูกหยุดเมื่อมันถูกหยุดแล้วมันก็ปรุงไม่ได้ท่านจึงสอนวนะ่ามักต้องเจริญมักต้องเป็นข้อปฏิบัติมักคือเรามาดูความคิดนี่เองต้องปฏิบัติคือการเคลื่อนไหวแบบนี้จะเป็นมัก มักเป็นข้อปฏิบัติน่เราปฏิบัติอย่างนี้เจ้าว่าตัวสโมไทยตัวนั้นมันเป็นตัวทุกข์มักต้องปฏิบัติต้องเจริญนี่นี่โลดเลยนี่โลกกระทําทให้แจ้งวันนี้เราก็คอยดูตัวนี้แต่ตัวนั้นมันปรากฏเองเรารู้สึกตัวนี้ตัวนั้นขึ้นมาเราก็เห็นก็รู้เข้าใจแล้วก็แจ้งเข้าไปเมื่อแจ้งเข้ามาแล้ววันนี้เป็นการสอนอันนี้เป็นการพูดคันเราให้ฟัง เด็ตัวกระทํานั่นน่ะมันจะเป็นเองบันนี้เมื่อเราดูมันเห็นมันคิดขึ้นมาในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละเป็นการทําให้แจ้งมันคิดปุ๊บเราเห็นปับ๊บนั่นแหละเราเห็นแจ้งแล้วไม่เห็นกลมคิดเตตตัวเห็นกับตัวรู้มันคล้ายๆ ค, ค, คืออันเดียวครับแล้วเราเรียกว่าวิญญาณก็ได้บันนี้สังขารมันคิดหรือตัวสมุทัยมือ ตัวเวียงก็เป็นตัวรู้ตัวเห็นมันคนรู้แจ้งนอกจากควมคิดแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดดังนั้นพวกพราหมณ์สุนันเขาไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาพระพุทธเจ้าจะไว้เห็นผีอยู่ที่ตัวคนเองเห็นเทวดาอยู่ที่ตัวคนนั้นเองเทวดาก็คือคนทําดีพูดดีคิดดีคนมีหิริโอตระปาท่านว่าอย่างนั้นคนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเขาว่าผีเขาว่าไอ้ผีเนี่ย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นตัวเราก้วงศอกยาววานาคืบนี่มีพร้อมแล้วให้เราศึกษาที่ตรงนี้ได้ทุกคนทนันวหวดังนั้นเมื่อมารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องไม่ท้อถอยการกระทำของเราไม่ต้องหยุดเราต้องพุ่มเทลงไปเล่งลงไปคือไม่ให้มีเวลาว่างกินข้าว ส่งน้ําเข้าห้องน้ําห้องส้วมไปไหนมาไหนก็ต้องไม่ให้ว่างตอนนี้เลยปฏิบัติกันจริงจังแต่ว่าคนอื่นจะเห็นเราไม่ได้ไม่ใช่แต่นั่งอยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวอันนั่งในห้องกรรมฐานอย่างเดียวนั่นคือฝึกหัดฝึกหัดควบคุมเอาไว้เราก็เลยเข้าใจอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ฝึกหัดเป็นการปฏิบัติฝึกหัดขั้นแรก เมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ต้นทางเขาเรียกเป็นพาโสดาบันบุคคลได้กระแสหรือได้ต้นทางได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานก็ได้ต้นทางก็คือได้ต้นความคิดนี้เองรู้จากการเคลื่อนไหวของเรานี้เองมันคิดมาเราเห็นเรารู้อันนี้แหละได้ต้นทางกระแสพระนิพพานก็ยิ่งถึงนี้พอดีไปถึงที่สุดของทุกข เราก็ต้องดูคมคิดนี้เองเียกว่านิโจรจจึงเป็นการทำให้แจ้งก่อนที่จะรู้สำนึกสำนึกได้เราบอกว่าเราจบได้ก็ต้องมันมีสิ่งที่สัญญาตัวเราทุกคนต้องตายถ้าพูดง่ายๆก็คือคมตายนั่นเองเป็นนิพพานถ้าพูดอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็หาว่าตายแท้ๆเลคือตายนั่นเองจึงบอคนจึงตาย คนจึงไม่มีคนเมื่อคนตายแล้วคนก็ไม่มีคนไม่มีก็มีอะไรก็มีเทวดาหรือมีพระอริยจบุคคลพระอนิจจบุคคลกับเทวดานี่มันคล้ายๆกันคือเทวดาท่านก็ต้องมีความละอายสํานึกพระอนิจจบุคคลคือพ้นจากข้าศึกแต่พ้นจากข้าศึกต้องคอยระวังข้าศึกมันจะขึ้นมาในรูปใดเนี่ย ก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนั้นเรียกว่าเป็นพระเรียบบุคคลเมื่อมันถอนออกมาเราก็รู้ทันทีดังนั้นตอนที่คนจะตายที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังมันต้องถอนตัวนี้แล้วจึงจะตายได้ดังนั้นเรามาศึกษามาปฏิบัติอันนี้เพื่อจะให้รู้อันนั้นเองคนในคราวนั้นยุคนั้น เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเข้าซานตายซารก็แปลว่ารู้นั่นเองเข้าไปรู้ล่วงหน้าไม่ใช่ว่าไปเข้าสานที่ไหนอีกแล้วนี่เราไม่รู้แล้วก็ไปไปเดาเดาเอาก็ได้หรือว่าตีค้อมหมายเอาก็ได้หรือแปลเอาตัวหนังสือก็ได้สานแปลว่ารู้คือเราเข้าไปรู้เมื่อเรายังมีลมหายใจ เมื่อมันตายมันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นคนทุกคนต้องไปประสบอันนี้จึงว่านิพพานนั้นไม่มีอยู่ในคนคือรู้จักวิธีอันนี้นี่เองรู้จักวิธีที่จะตายหรือรู้จักวิธีที่จะหมดลมหายใจนี่เองมันต้องผ่านตัว น, นี้เข้าไปคนดังนั้นจึงว่าธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของใครเป็นของบุคคลคนที่ทําเท่านั้นเอง คนใดทำถูกต้องถูกจังหวะแล้วคนนั้นต้องเต็นต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันแค้งขาหน้าตามือเท้าคือกันแต่สูงดำต่ำขาวไม่เหมือนกันไม่คือสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับราตถาคตเหมือนกัน ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันตั้งแต่เพศเท่านั้นเองเพศหญิงเพศชายไม่ไม่คือกันแต่เหมือนกันมีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นคนอินเดียก็เหมือนกับคนไทยคนไทยก็เหมือนคนอินเดียขึ้นซื้อว่าคนเนี่ยเหมือนกันทุกคนต้องตายทุกคนต้องไปนี่ทุกคนยกเว้นไม่ได้ถึงจะรู้ก็ต้องไปตาย ไม่รู้ก็ต้องไปตายการตายจึงยกเว้นไม่ได้ดังนั้นนิพพานนั้นจึงมีในคนทุกคนแล้วแต่คนนั้นจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้เท่านั้นเองถ้าเราจะเอามาใช้เราต้องแก้ไขปัญหาตัวเองพยายามปฏิวัติปฏิบัติตัวเองสิ่งใดผิดแก้เลิกสิ่งใดถูกสนับสนุนหรือมันคาดตกบกพร่องที่ไหน เราต้องพยายามสนับสนุนเข้ามาเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงเป็นการฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจทัานว่าอย่างนั้นเรื่องการฝึกหัดอย่างอื่นนั้นเราก็เคยสอนกันมามากแล้วแต่ว่ารู้ได้บางคนรู้แล้วสองสามวันก็ลืมเป็นอย่างนั้นแต่บางคนไม่ลืมแต่ไม่ทําก็มีเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่าจึงสอนเอาไว้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายท่าน เราพูเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายททําอย่างเราตถาคตนี้เมื่อทําอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นดังนั้นครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้หรือหนังสือก็มีว่า ผู้ที่จะเิญสติประธานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่คําว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เียหมายถึงไม่ขาดช่วงไม่เด้นั่งอยู่ที่ห้องกรรมฐ า, านทีเดียวไม่ขาดสายคือไปไหนมาไหนทําความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอเีแต่ไม่ขาดสายไม่ขาดช่วงคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพอน้อยรูมาก อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันคนใดจเจริญ อ, อย่างนั้นน่ะติดต่อข้าพเจ้าในท่านว่ามีอณิสงส์สองประการทันวันหนึงเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดทันวัน พระอนาคามีน่าจะมาเกิดในมนุษย์อีกครั้งเดียวทันวายยังไงเหมือนกับพลาโสดาบันเอกาพีซีตัวหนังสือไว้ยังไงพลาโสดาบันเอกาพีซีเนี่ยจะมาเกิดเมื่อมนุษย์ครั้งเดียวพระอนาคามีก็จะมาเกิดในมนุษย์ครั้งเดียวนะแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องมาแล้วคำว่าพระอรหันต์เนี่ยให้เข้าใจคือว่าเห็นดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราเราทํายังไงเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจ แก้ไขที่ตัวเรานี่เองอืเมื่อแก้ไขตัวเราได้แล้วคนอื่นน่าจะแก้ก็ได้ไม่แก้ก็แต่เพียงเต่แน่แนเนียวเท่า น, นั้นเองดังนั้นจึงว่าคบเพื่อนที่ดีลึกกันรายานามิตที่ดีทันไวเมื่อพบคบเพื่อนชั่วกันรายงานามิตที่ชั่วมันก็ถลําไปชั่วทันทีคบคนที่ดีมันก็ไปทางดีทันที ดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบนี้จึงง่ายที่สุดรับรองได้อันเนี้ยถ้าทําติดต่อกันอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องกรรมฐานโดยสักพออยู่ห้องกรรมฐานสามปีเราไม่ได้แล้วมันต้องไปนั่นมานี่อาศัยการไปการมาแต่เราต้องระมัดระวังสามปีนี่เข้าใจว่าจะประชิญหน้ามันจริงๆไม่มากกว่าน้อยแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ประชิญหน้าก็ต้อง คำพูดจําได้เมื่อจําคําพูดได้แล้วก็ต้องปฏิบัติเลยเมื่อมาประชิญหน้าเราก็ต้องรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อเราเป็นเราเห็นเรารู้เราก็ต้องเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนย้ําแล้วย้าว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายทําอย่างเราตถาคตนี่ทําอย่างพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าต้องเอาจริงเอาจังทําไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนถึงจะรู้แล้วทั้งก็ไม่วางธุระหน้าที่ของท่านเคยได้ยินไหมพุสระออกไปพระพระเจ้าเดินจมกรมที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ท่านจงเดินมาที่ตรงนี้เนี่แสดงว่าพระ เ, รเจ้านั่นต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอทําทุรลหน้าที่ของตัวเอเสมอที่พูดเนี่ยเอาสามปีเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเทวดาผีเรียกว่าพระอาหารหันต์ในน้อยขาดก็ได้เนี่ยจะเห็นได้จริงๆแต่ส่วนสภาพเดิมนั้นมันจะหลุดหรือไม่หลุดนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่ง เมื่อเราเป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นไปก็แสดงว่าเราเดินไปหาพระพุทธเจ้าถูกจุดเป็นอย่างไรเอาระยะสามเดือนแบนบ น, นี้หนึ่งปีแบบนี้ระยะ1ึงปีทำให้ติดต่อขยันติดตามดูมันไปที่ไหนมาที่ไหนก็ต้องเอาตัวเราเป็นเกบนี่อย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวัน ปฏิบัติมันจริงๆคําว่าปฏิบัติแบบนี้ที่หลวงพ่อพูดนี่คือว่าไปไหนมาไหนให้รู้สึกไม่ใช่นั่งอยู่ห้องกรรมฐานแล้วออกมาข้างนอกลืมเข้าห้องน้ําห้องส้วมลืมซักเสื้อซักผ้าลืมอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดต่อกันแล้วมันขาดแล้วคือเราไปเข้าห้องน้ําห้องซ้วมแล้วก็ต้องปฏิบัติไปซักเสื้อซักผ้าก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติวิธีใด อันที่เรารู้สึกตัวมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นเนี่ยตัวการปฏิบัติแท้ๆมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นแหละเป็นการปฏิบัติแท้ๆเมื่อเห็นมันเข้าใจมันอย่างนี้ข่มโกรู้ข่มหลงข่มโลภมันก็ไม่มีอยู่ที่จิตตัวนั้น แต่เมื่อมันมีขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันก็ไปยึดไปถืออันนั้นอันนี้เข้ามาเมื่อไปยึดไปถือเข้ามาแล้วก็ทุกแบกหนักถ้าจึงว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักคือรูปนี่หนักขันห้าหนักเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกคนเราจึงอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุก ไปไหนมาไหนไปด้วยทุกเมื่อวางทุกเมื่อใดตายเมื่อนั้นจึงว่าคนตายแล้วทุวกเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะมีแต่เทเ ว, วดาหรือว่าพระเรีย บ, บุคคลเท่านั้นเองที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นประโยคสั้นๆ <c oughs> เพื่อให้เราเอาไปใส่จริงๆและปฏิบัติจริงๆผู้หญิงก็รู้อันเดียวกันนั้น ผู้ชายก็ต้องรู้อันเดียวขนนั้นในขณะเมื่อมันหลุดออกจากกันจะไปดีใจจะไปเสียใจรีบมาจับอารมณ์ลูบนามที่ให้มันรู้สึกตัวอยู่นี้เมื่อมันรู้สึกตัวอยู่นี้แล้วความสบายนั้นจะลดไปลดไปมันจะเป็นปกติอยู่แาวนั้นตลอดกาลมันเข้าสู่สภาพของมันอย่างนั้นตลอดกาล